สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบานนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตประชุม ต, ตอนที่หนึ่งร้อยสิบเก้าการถืออดครับวันนี้เป็นตอนที่หนึ่งนะครับพี่น้องครับเช้าวันอาทิตย์นี้เรากําลังเตรียมตัวไปนมัสการพระเจ้าผมจึงอธิษฐานขอพี่น้องพระเจ้าอวยพรพี่น้องให้พี่น้องจะมีใจิตใจที่พร้อมในรรการนมัสการพระเจ้าก่อนอื่นนะครับอย่าลืมนะครับแสชำระบาปครับ และขอการอภัยโทษกับพระเจ้าและขอให้เกิดการคืนดีกันครับอะไรก็ตามที่เราทําเพื่อพระเจ้านะครับอย่าคิดว่าเราจะหวังอย่าหวังว่าเราจะได้ผลตอบแทนที่อยู่ในโลกนี้ร้อเอร์เซ็นตนะครับพระเจ้าอาจจะตอบแทนหรือไม่ตอบแทนแต่เราเชื่อว่าพระเจ้าจะทรงตอบแทนเราเมื่อเราอยู่บนสวรรค์สิ่งที่ทรงชงตอบแทนนั้นเรียกว่าบำเหน็จครับและพระเยซูทรงสอนว่าหากว่าเราอธิษฐานหรือทํำชั้นรกิจเพื่ออวดคนอื่นนะครับ เราก็จะได้รับหน้าตาเราก็ได้การชมเชยจากมนุษย์ครับนั่นแหละครับเรากําลังขาดความเด็ดในสวรรค์เพราะว่าสิ่งที่เราควรจะได้ก็ได้รับในโลกนี้แล้วในวันนี้นะครับจะพูดถึงเรื่องของการอดอาหารครับการอดอาหารนี้เป็นศาสน ก, กิจของคนยิวและการถืออดนี้ก็ทําให้คนยิวนั้นได้มีโอกาสเข้าหาพระเจ้ากับใจใหม่ครับและระเยซูได้สมชอรเรื่องการถืออดอาหาร ซึ่งตากฏอย่างนีพระรมมัทธิวบทที่หกข้อสิบหกถึงสิแปดนะครับมัทธิวบทที่หกข้อสิบหกถึงสิบแปดฟังโทษณระนของพระเจ้าเมื่อท่านถืออดอาหารอย่าทำหน้าเศร้าหมองเหมือนคนหน้าซื่อใจคดด้วยเผาทำหน้าให้มอมแห่เพื่อจะให้คนเห็นว่าเขาถืออดอาหารเราบอกความจริงแก่ท่านว่า เขาได้บําเพ็จของเขาแล้วฝ่ายท่านเมื่อถืออดอาหารจงล้างหน้าและเอาน้ํามันใส่ที่สระเพื่อคนจะไม่รู้ว่าถืออดอาหารแต่ให้ปรากฏแก่พระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตในที่ดีครับและพระบิดาของท่านผู้ทรงเห็นในที่ดีครับจะทรงโปรดประทานบําเพ็จแก่ท่าน <c oughs> พี่น้องครับ <c oughs> เมื่อพูดถึง อ, อดอาหารนั้น <c oughs> ก็จะเป็นกิจกรรม รหรือภารกิจหลักๆของคริสเตียนเลยทีเดียวมีบางคนบอกว่าการบริบรหารนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญที่คริสเตียนควรจะทําอันดับสามครับสิ่งสําคัญที่คริสเตียนควรทำอันดับสามมีอะไรบ้างประาการแรกครับก็คือจานอันดับแรกนะครับก็คือหนึ่งอธิษฐานสองอ่านรพระคัมภีร์นะครับหรือสลับกันครับหนึ่งอ่านทระงปีรสองอธิษฐานสามถืออดนะครับถืออด เพราะฉะนนความสําคัญของการถืออดนั้นในชุดเซียนบางกลุ่มนั้นก็เรียกว่าถือศีลอดนะครับการถือศีลอดนี้ถือว่าเป็นศาสนกิจครับจากต า, ศางเงื่งของคนยิวในขณะเดียวกันครับก็มีประวัติที่มาทางพระกมภีเดิมด้วยนะครับเวลาพูดถึงการอดอาหารบางคนอาจจะมีความรู้สึกไม่อยากอดอาหารอนิตตร์ฐานก็ถือว่าเป็นการทุกข์ทรมานเพราะว่าเราจะต้องจํากัดไม่กินอาหาร หรือลดเว้นไม่กินอาหารหลักนะครับไปกินอาหารรองเช่นกินแต่ผลไม้หรือดื่มแต่น้ําผลไม้นะครับหรือบางคนก็อดเป็นบางบางมื้อนะครับการอดอาหารพร้อมด้วยการช่วยเหลือคนอื่นก็นํามาซึ่งสุข ภ, ภาพที่ดีจารอดอาหารพร้อมด้วยการอาธิษฐานนะครับการอ่านพระองค์ปีการเข้าเฝ้าพระเจ้าการสแสวงหาพระเจ้าหรือต้องการถามพระเจ้าเกี่ยวกับเรื่องที่สําคัญสําคัญหรือบางครั้งจะต้อง ขอพระเจ้าหยิบยกบางสิ่งบางอย่างที่ยิ่งใหญ่หรือใหญ่ๆ ใ, ใ, ใ, ในชีวิตออกไปไม่ว่าจะเป็นรากขมคืนนะครับไม่ว่าจะเป็นความทุกข์ยากลาบากความเจ็บไข้ป่วยโรคร้ายต่างๆนะครับสิ่งเหล่านี้ครับเป็นสิ่งที่ต้องการการอดอาหารครับเพราการอดอาหารนั้นจิตวิญญาณของเรานั้นจะสดชื่นครับขณะเดียวกันก็ได้ของแถมครับก็คือสุขภาพของเราจะดีขึ้นร่างกายก็จะแข็งแรงขึ้นนะครับและ ไม่เพียงแต่จิตวิญญาณร่างกายแข็งแรงนะครับอารมณ์ของเรานะครับได้ใกล้คิดได้อ่านโจอณะได้มีโอกาสไถ่ควรและมันได้มีโอกาสนั่งลงเพื่อที่จะริษฐานนะครับในระดับลึกนะครับก็จะได้ยินเสียงของพระเจ้าและการส่งนำและการปรับของพระเจ้าเพนะครับอย่าลืมนะครับการอธิษฐานนั้นมีสามระดับที่ผมได้เคยแบ่งปันให้กับพี่น้องแล้วนะครับระดับของการใช้คำพูดนะครับระดับของการเป็นคำอธิษฐานระดับของการไถ้ควรนะครับภาวนา นะครับระดับของการนิ่งฟังเสียงพระเจ้านี่ครับคือก า, การอธิาฐานในระดับนี้เพราะฉะนั้นเมื่อเราได้มีการกดอาหารอธิษฐานนะครับจิตใจของเรานะครับร่างกายของเราและจิตญาณเราก็จะมีความชื่นชมดีครับมี joy นะครับแล้วก็ได้สัมผัสกับความหวังสัมผัสความรักของพระเจ้าและสัมผัสกับตัวพระองค์เองครับพี่น้องครับการปกดอาหารอธิษฐานนั้นเป็นกระบวนการที่ทําให้เรามีสุขภาพร่างกายจิตใจและจิต ญ, ญ, ญาณที่ดีขึ้น นะครับยิ่งเราอดอาหารนะครับบ่อยเท่าไหร่นะครับเราก็จะเยอะพอสพครแต่ในทางจับกันครับอย่าใช้การอดอาหารนั่นเป็นการยกตัวเองครับหละยหคนก็พยายามทำเชิติติในการอดอาหารนะครับเพื่อที่จะให้กนอื่นนั้นได้รู้ว่าตัวฉันเป็นซูปเปอร์ขี้เสี่นมซึ่งไม่ถึงความจริงครับพระเจ้าไม่ได้มองดูตรงนั้นแต่พระเจ้ามองดูจิตใจพักภายในว่าเรามีความปรารถนาะ อย่างแรงกล้าหรือไม่ <c oughs> ในการที่เราจะอดอาหาร <c oughs> เพื่อที่จะแสวงหาพระองค์พี่น้องครับเมื่อเราพูดถึงการอดอาหารนะครับเวลาอาธิษฐานพระเยซูบอกว่าอย่าพูดค่อยๆซ้ำซากนะครับเวลาถืออดก็อย่าทําหน้าเศร้าหมองให้เหมือนกับคนหน้าทึ่งกจคนนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าเพื่อให้คนเห็นครับสิ่งต่างที่เราทํานะครับเพื่อให้คนเห็นเราได้รับนึ่งของเราไปแล้วนะครับ แต่พระเยซูบอกว่าเมื่ออดอาหารนั้นจงล้างหน้าเอาน้ำมันใส่ศีรษะเพื่อคนจะได้ไม่รู้ว่าคุณถืออดอาหารหรือเราคืออดอาหารแต่ให้ปรากฏแก่พระบิดาของเรานะครับและพระวิดาผู้สถิตในที่ลี้ับก็จะทรงตรวจทานบำเหน็จแก่ท่านเช่นเดียวกันกันกบการอาธิษฐานนะครับในบทที่หกข้อที่หกนะครับเราเช่นเดียวกันพระเยซูสอนว่าส่วนท่านเมื่อ อ, อธิษฐานจงเข้าในห้องชั้นในและเมื่อปิดประตูจงอธิษฐานต่อพระบิดา ผู้ทรงเห็นที่ลับและบิดาของท่านผู้ทรงเห็นที่รับที่ผมได้เคยแบ่งปันให้กับพี่น้องไปแล้วนะครับพี่น้องครับเราถืออาหารเมื่อเผชิญวิกฤการนะครับถ้าถามว่าทําไมเคยเสียนต้องถืออาหารเพราะว่าเราปเผชิญวิกฤการนะครับในทุกวันนี้นะครับเรามีวิกฤตการต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับในสมัยก่อนครับสมัยเอสเตอร์นะครับคนยิวนะครับที่รู้จักกับเอสเตอร์หรือมูนเดดไค้นั้น ก็ถืออดอาหารนะครับเพราะอะไรครับเพราะเผ่าพันธ์ของเ้านั้นจะกําลังจะถูกล้างนะครับจูกฆ่าล้างเผ่าพันธ์นะพี่น้องครับการถืออาหารจริงยเป็นรูปแบบของการเข้าหาพระเจ้านะครับไม่เหมือนกับชาวโลกครับชาวโลกเขาถืออดอาหารก็เป็นการประท้วงใช่ไหมครับนะคนที่เข้่อศาสนาก็จะประกาศว่าไม่ทานอาหารจนกว่าจะมีการแก้ไขสิ่งที่ผิดให้ถูกที่กรทั้งด้านการเมืองนะครับแต่คนที่ตามมาครับ ก็ทําให้บางคนก็สงสัยเวลาที่คริสเตอร์อดอาหารนั้นถ้าว่ามีการสอนการเรียนรู้ก่อนเี่คริสเตียนก็จะมีความเข้าใจในเรื่องการอดอาหารที่ผิดไปนะครับบางคนก็มีความเข้าใจว่าการอดอาหารนั้นถือเป็นการบังคับพระเจ้าจะมาบีบกดดันพระเจ้าให้พระเจ้าได้ทําตามที่เขาต้องการนะครับอันนี้ก็จะเป็นความหมายที่ผิดครับหรือความตั้งใจที่ผิดนะครับมาดูครับว่าในอำพินั้น คนที่อดอาหารนั้นอีทัยบ้างนะครับผมมียกตัวอย่างนะครับตั้งแต่โมเสสครับโมเสสถืออดอาหารบนภูเขาสี่นายปรากฏอยู่ในพระธรรมอุปนิยมบทที่สาสิบสี่ข้อยี่สิบแปดนะครับฮันนาถืออดอาหารเมื่อเธอขอลูกพายจากพระเจ้าอันนี้คือการอดอาหารเพื่อทูลขออธิษฐานวิงวอนนะครับซึ่งปรากฏในพระคัมภีรหนึ่งขโมยว่บทที่หนึ่งนะครับและกษัตริย์ดาวิดเองครับก็ถืออดอาหารหลายท่านงลาหนครับในชนชาติอิสราเอลทั้งหมดก็ถืออดอาหารในวันรบมลทิน นะครับในวันลบมนต์ถิ่นเนื่องจากว่าเขาแสดงความเสียใจนะครับความเศร้าโศกในเรื่องความบาปที่เขามีอยู่นะครับเพื่อที่ขอให้พระเจ้าได้ตรวจกรุณายกโทษให้อภัยความผิดบาปแบบนั้นนะครับพี่น้องครับในพระอภินิหม่ก็เหมือนกันครับเราก็เห็นพระเยซูก็ถืออดเหมือนกันนะครับพระเยซูถืออดอาหารในถิ่นรักกันดานครับในพระธรรมมัทธิวบทที่สี่ข้อที่สองแต่ยอน ผู้ให้บัพติสมาหรือยอนแบบบัติสนะครับก็สอนสาวกให้ถืออดอาหารบ่ยวยานะครับการอด อ, อาหารนั้นก็ถือว่าเป็นการชำระตัวนะครับเพราะเนื่องจากการอดอาหารนั้นจะต้องมีการอาธิษฐานสา ร, สราภาพบาปก็มีการอ่านพระวจนะของพระเจ้ามีการน้ำสการสรรเสริญพระเจ้าการอธิษฐานอดอาหารที่ทําให้เกิดการชำระตัวนะครับก็จะทําให้ชีวิตของคนนั้นก็บริสุทธิ์ขึ้นครับในขณะเดียวกันครับาสาวกของพระเยซูนะครับก็ ถูกจับผิดนะครับก็บางคนจับผิดสาวกของพระเยซูว่าพวกสาวกไม่ได้ถืออรหันนะพี่น้องครับเราดูนะครับว่าอาจารย์เบโลก็ถืออรหันนะครับหลังจากที่เดินทางไปที่ดามัสกัสและได้พบกับองค์พระนเจ้ากลางทางนะครับโคเรนโคเนริอัสนะครับก็ถืออรหันก่อนได้รับลิมิตนะฮะในกิจการบทที่สิบข้อที่สามสิบครับนะแล้วก็การประกาศนะครับนะของขึ้นจับ นะครับในอันทิโอกที่เขาได้ตอนที่เขาได้ส่งบาราบาสกับซาวโลนะครับเดินทางไปประกาศในในเที่ยวแรกในกิจการบทที่สิบสามนัก็เช่นเดียวกันนะครับเขาก็ถืออดอาหารนะแล้วก็พวกที่อยู่ในเรือครับที่เดินทางไปกับอาจารย์ปอโลที่กรุงโรมนะครับในกิจการบทที่เจ็ดก็เหมือนกันครับก็ถืออดอาหารเหมือนกันที่นะครับจะเห็นว่าการถืออดอาหารนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องแปลกนะครับที่สเตรลล์ทุกวันนี้นะครับในเมืองไทยนะครับก็จะมีบางกลุ่มที่ถืออดอาหาราสม่ำเสมอ นะครับแต่บางคนก็ไม่เคยถืออาหารเลยและก็กลัวนะครับในวันต่อไปนะครับเราจะมาดูกันว่าการถืออาหารนั้นเราจะทําอย่างไรนะครับผมอยากจะบอกกับพี่น้องว่าถ้าเรามีโอกาสนะครับหรือว่าเรามีความปรารถนาที่จะมีประสบการณ์การทชงนําของพระเจ้านะครับการความปรารถนาในการที่เราจะสัมผัสนะครับมีประสบการณ์กับพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับให้เราถือโอดทับและเราก็จะเห็นถึงความสำคัญในเรื่องนี้ และก็เห็นว่าสิ่งนี้เป็นพระพรในชีวิตของพวกเราแต่ละคนเช่นเดียวกันครับขอบพระเจ้าอวยพรพี่น้องที่อทุกร่านในเช้าวนี้ให้การนำสักการพระองค์ในเช้านี้ของทุกพานได้รับการทรงนำของพระองค์ตลอดอาเมน